ไม่ปรากฏบาดแผลหรือรอยเลือดใดๆจากบริเวณเข่าหรือหน้าแข้งตำแหน่งนั้นเลยนอกจากอาการบวมช้ำเขียวเล็กน้อยคริสติน่าตะครุบคลำลงไปยังตรวจยังที่นั้นด้วยความที่ตนเองตกใจร้อนใจอยู่ก่อนกระพินแยกเขี้ยวร้องจ้าเฮ้ยเบาๆอย่าบีบเ้าตะโกนออกมาอย่างลืมตัวคริสติน่าจึงได้สติเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆประคองลูบคลำอย่างแผ่วเบา พยายามตรวจอยู่เช่นนั้นโดยเร่งด่วนแต่ก็คงไม่พบบาแดแผลใดๆทั้งสิ้นนอกจากรอยปูดโปนที่หัวเข่าดังกล่าวหักหรือเปล่าคุณแน่ใจไหมว่ากระดูกขาส่วนล่างนี้ไม่หักทั้งที่ยังหลับตาแยกเขี้ยวอยู่นั้นระพินสั่นศีรษะไม่หักหรอกแต่รู้สึกว่าลูกสบ้ามันเป็นไหนไม่ทราบอะ่ะ ม, มันอาจจะเคลื่อน่ะคุณลองถลันเข้าไปทางด้านหลังเขา ลากรพืเดียวเอาส่วนหลังเขาเข้าไปพิงกับผนังหินร้องสั่งมาละล่ำละลักนั่งพิงไว้นะคุณพยายามเหยียดขาข้างนี้ออกมาเหยียดออกมาผมผมเหยียดไม่ได้อ่ะเหยียดไม่ออกยิ่งยืดขาก็ยิ่งปวดนะคุณทั้งสองพูดจา ก, กันในขณะนี้ในลักษณะต่างฝ่ายต่างตะโกนฝ่าเสียงพายุอื้ออึงอยู่ด้านนอก ขาซ้ายของเขาเหยียดราบลงกับพื้นแล้วแต่ขาขวายังคง ง, งอสันริก ๆ, ๆ, ๆ, ๆแต่ยันพื้นอยู่เช่นนั้นเหงื่อเม็ดตโตๆผุดซึมเต็มหน้าอันเห็นชัดว่าซีดเผือดคริสติน่าเม้มริมฝีปากแน่นตอนเริ่มควบคุมสติและใช้ความพิจารณาอย่างที ท, ทุ่นอีกครั้งในทันทีพร้อมกับค่อยๆเอามือเข้าไปลูบขามันจริงดังที่เขาบอก กระดูกสะบ้าหัวเข่าของเขาดูเหมือนจะเคลื่อนจากตําแหน่งเดิมอันควรจะอยู่ออกมาต่ําลงมาทางสันหน้าแข้งเล็กน้อยสังเกตได้จากรอยทะลักปูดขึ้นมาของมันลองทดลองเอามือทั้งสองกดดันผลักขึ้นไปครรนใหญ่ร้องโวยวายออกมาอีกพยายามผลักให้ห่างออกไปอ ย, อย่าแต่ต้องมันปวดมากใจเย็นๆด้วยจ้คุณฉันจะค่อยๆนวดให้ ปรเดี๋ยวมันอาจจะพลุบเข้าที่เองยืดขามาอีกนิดได้ไหมโนโง่รพินตะโกนลั่นตั้งแต่เดินป่ามาด้วยกันคริสติน่ายังไม่เคยเห็นเขามีอาการแสดงความเจ็บปวดโวยวายเช่นนี้มา ก, ก่อนทั้งมือและเท้าอีกข้างที่ยังเคลื่อนไหวได้พยายามที่จะผลักหรือถีบหลอนให้ห่างตัวออกไปเหมือนไม่ประสงค์ใจหลอนมาแตะต้องบริเวณจุดเจ็บปวดของเขาในขณะนี้ใดๆทั้งสิ่ คริสติน่าลีกลบได้อย่างว่องไวและเข้ามาทางด้านขาข้างที่หงิกงอของเขาค่อยๆประคองจับบริเวณนอกและข้อเท้าที่สวงบูทสั้นของเขาไวนี่นี่คุณกลั้นใจนิดเดียวเท่านั้นแหละฉันจะทำให้หัวเข่าข้างนี้ของคุณกลับคืนในสภาพปกติก่อนบอกอย่างกลอบใจแต่รับพินร้องห้ามเสียงหลง คริสแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดของหล่อนอย่างชนิดไม่สนใจอะไรทั้งสิ้ขนขณะนี้ระพินไม่อาจผงกตัวขึ้นมาขัดขวางหล่อนได้แม้จะพยายามเพราะขาที่งออยู่ข้างนั้นเป็นอุปสรรคอยู่และโดยฉับพลันทันทีฝ่าเท้าของหล่อนยันพรวดข้ามาที่บริเวณท้องอันกิวแห้งของเขาเหยียบไว้เวลาเดียวกัน มือที่ประคองจับอยู่ที่ข้อเท้าก็กระชากรวดเต็มแรงอีกมือนึงก็ดันเสยลูกสะบ้าที่เคลื่อนปนึลงมายังส่วนบนของหน้าแข่ง ม, มันเป็นเวลาเพียงช่วนหนึ่งในสิบของวินาทีเท่านั้นที่หลอนออกแรงดึงเต็มที่ระพินร้องแทบไม่เป็นภาษาอีกครั้งพร้อมกับสะดุ้งโยงตัวสบัดร่างพลิกไปนอนตะแคงอยู่กับพื้นขาข้างนั้นของเขา ซึ่งบาดนี้ขากางเกงได้ถูกตัดออกไปแล้วแค่เขายืดเหยียดยาวออกมาได้ร่างกายสั่นอยู่ริกๆเรากับสัตว์ป่าที่ถูกปืนก่อนจะสิ้นลมปรานกรามบดเนินเป็นสันแม่ผมทองภายหลังจากกระชากสุดแรงเกิดแล้วก็ถอยมายืนดูอาการของเขาอย่างระมัดระวังนิดหนึง่งโดยยังไม่เข้าใกล้ก่อนระพินก็ยังนอนกำมือแน่นอยู่เช่นนั้น อึดใจต่อมาจึงเริ่มพลิกตัวนอนหงายพยายามใช้ข้อศอกยันกายส่วนบนขึ้นแต่ยังไม่กล้าเคลื่อนไหวขาหล่อนจึงกรากเข้าไปประคองเขาทางด้านหลังช่วยจัดให้นั่งพิงผนังตามเดิมก็แค่นี้เองสบ้าเข้าที่ละโชคดีมากละที่มันไม่หัดหรือแปกนะเดี๋ยวฉันจะเอาครีมทาแก้ครีบนวดให้ จอมพรานถอนหายใจเฮื้อนั่งพิงผนังหลับตาอยู่ตามเดิมแต่ไม่พูดอะไรคริติน่าล้วงในย่ามหลังส่วนตัวอย่างว่องไวคว้าเอาหลอดยาชนิดหนึ่งลักษณะเหมือนหลอดยาสีฟันบีบครีมสีขาวออกมาจำนวนหนึ่งถอดถุงมือหนังของตนเองออกแล้วขยี้ละเลงครีมจำนวนนั้นลงก็ฝ่ามือเปล่าจากนั้นก็ลงมือลูบคลึงเบา ลงไปยังบริเวณเข่าและใต้ข้อพับขาของเขาจากมืออันแสดงให้เห็นถึงความชำนาญในด้านปฐมพยาบาลในทุกสภาพครั้งแรกที่หล่อนเริ่มคลึงนวดรับพินสะดุ้งอีกครั้งอย่างาหวากลัวเจ็บแต่ไม่ถึงกระร้องออกมาต่างกว่าครั้งแรกและมือทั้งสองของเขาขยุ่งจับไปที่ไหล่ของหล่อนกำแน่น เรียมที่จะผลักให้กระเด็นออกไปหากมันเกิดความเจ็บปวดทรมานขึ้นคริสติน่านวดเฟ้นบริเวณ น, นั้นครั้งแรกก็เบาๆก่อนและต่อมาก็ค่อยคลึงแรงขึ้นและรวบฝ่ามือทั้งสองบีบรอบบริเวณ น, นั้นแน่นกุ่มถามว่ารู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้กระผินไม่ตอบป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อบนใบหน้า แล้วลืมตาขึ้นถอนใจยาวอีกครั้งเ่อ ย, อ, ยอย่างชั่วขึ้นมากแล้วละ่ะขอบคุณเอาละคุณทีนี้ก็ทดลองงอขาข้างนี้เข้าไปสิช้าๆก่อนหล่อนสัง่งมื อ, อยังช่วยบีบรัดบริเวณนั้นอยู่เช่นเดิมพลานใหญ่ค่อยๆลากปลายขาเข้ามาได้อย่างพยายามแต่แล้วก็สูดปากอีก เมื่อมันเข้ามาได้เพียงครึ่งทางหล่อนจึงกดแล้วจับเหยียดออกไปตามเดิมมันกำลังระบมอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก็จะค่อยอยังชั่วขึ้นครั้งแรกๆอาจจะเดินไม่ถนัดนะักดีเหมือนกันต่อไปจะได้ไม่ต้องเดินเร็วเกินไปนะักรู้ไหมคุณถ้าสบ้าไม่เข้าที่อ่ะคุณจะเดินไม่ได้เลยแล้วมันจะปวดทรมานอยู่แทบชักอย่างนี้แหละ ระพินกลืนน้ำลายลงคออันแห้งผาและหายใจแผ่วๆดูเขาจะหมดฤทธิ์หมดเดดลงชั่วคราวคริสติน่าอมยิ้มกดกระติกน้ำของเขาข้างเอออกมาพร้อมกยาเม็ดหนึ่งออกคำสั่งต่อไปอกินสะคุณมันจะช่วยแก้ระบมแล้วก็แก้อักเสบด้วยระหว่างที่เขายังนั่งงนันคลำเขาตัวเองอยู่เหมือนไม่สนใจกับคำพูดของหลอน คริสติน่าใช้มือในลักษณะเป็นก้ามปูหรือคีมบีดฉับเข้าที่ขากังไกรทั้งสองอาการจับชนิดนั้นบังคับให้เขาต้องหงายหน้าเงยแล้วอ้าปากออกในทันทีหล่อนใช้ความรวดเร็วจังหวะนั้นยัดเม็ดยาใส่ปากลกรอกน้ำตามเข้าไปจนระพินสำลักแทบตาเลือดแต่ก็กลืนยาตามที่หล่อนต้องการลงไปได้แม่ผมทองหัวเราะออกมาเบาๆอย่างพอใจ เอามือขยี้เส้นผมบนสีสะเขาแล้วผลักเบาๆรู้ตัวบ้างไมหมคุณน่ะบางทากกีก็เหมือนกับเด็กๆเหมือนกันเลยคือพูดดีๆไม่รู้เรื่องไม่สนใจต้องใช้วิธีบังคับเอาคริสคุณเป็นคนทารุณโหดร้ายจริงๆอะทารุณเกินกว่าที่ผมจะคิดด้วยคริสติน่ายังคงยิ้มด้วยมุมปากอยู่เช่นเดิม ดูไม่ออกว่าเป็นยิ้มด้วยความปลาณีหรือความดุดดันเฮเคยรู้มาก่อนหรอกเหรอว่าฉันน่ะทารุณเยี่ยมเกรียมอยู่สักหน่อยแต่มันก็วางรากทำการที่จะช่วยเหลือคุณในสภาพของคุณตะ ก, กี้นี่มันเหมือนเด็กเล็กๆไม่มีผิดเลยถ้าฉันไม่ใช้ความเฉียบขาดให้คุณเจ็บสักครั้งเดียวและช่วยสบ้าเข้าที่ อีขาขัางนี้ของคุณมันอาจจะพิการไปตลอดชีวิตก็ได้นะคุณแต่คุณก็เล่นผียบยันก็มาที่ท้องผมและกระชากแรงที่สุดขอโทษนะแต่ฉันไม่ทำแบบนี้ไอ้สบ้าของคุณก็ไม่มีทางเคลื่อนกลับเข้าที่ได้และในสภาพอย่างนี้ถึงมาทำเหยาะแยะอยู่คุณจะพูดออกมาไม่เป็นภาษาหรอกหนิดงอเป็นกุ้งเผาอยู่แบบนี้แหละ ฉันถึงพยายามที่จะช่วยคุณให้เร็วที่สุดแต่คุณก็พยายามที่จะต่อต้านแม้กระทั่งพยายามถีบหรือพยายามจะต่อยฉันผมทำอย่างนั้นเหรอคุณหลอนแบกปากตบเข่าเขาข้างนั้นพลวลงไปโดยแปลงแต่คราวนี้ระพินไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรทั้งสิ่งเพียงแต่สะดุ้งตกใจเท่านั้นใช่ที่ดีว่าฉันรู้ตัวซะก่อนหลบสะทัน ตอนนั้นแต่คุณมีปืนอยู่ฉันว่าคุณคงยิงใช่ล้วล่ะโทษทีนะคริสผมคงเจ็บจนหน้ามือดอ่ะไม่รู้ตัวเลยคุณเล่นกระทืบท้องกระชากขานะ่มันก็โหดร้ายจริงๆคุณรบพินบนเขาคิดไปไม่ถึงเิตุการแบบนี้กับเขาอ๋อใจฉันทรมานคุณเดี๋ยววิธีจับมัดไว้ซะก่อน แล้วค่อยๆดึงขาคุณไปยังงั้นเหรอรับรองว่าวิธีนั้นจะทำให้คุณเจ็บปวดแทบสลบจะร้องโวยวายซะยิ่งกว่าวัวถูกเชื่ออีกนี่คุณไอกระชากขาผมอย่างตะ ก, กี้อ่ะถ้าสบ้ามันไม่เข้าที่กลายเป็นขาพิการไปเลยตลอดชีวิตจะทำยังไงอ่ะก็ช่วยไม่ได้มันก็เป็นกรรมของคุณเอง แต่ฉันแน่ใจว่าฉันช่วยคุณอย่างถูกวิธีที่สุดแล้วระพินเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกเขารู้สึกข้อยังชั่วขึ้นมากแล้วบัดนี้สติสัมปชัญญะเริ่มกลับคืนมาเพื่อระหนักรับรู้กับเหตุการณ์ของภัยธรรมชาติที่เผชิญอยู่นี่คุณตามผมมาได้ยังไงก็วิ่งตามมาที่คุณเอา้าแล้วทำไมต้องวิ่งตามมาด้วยละ่ะ ก็คุณเดินมาพร้อมๆกับพวกนั้นเดยฉันก็ปะนะว่าทําไมถึงต้องการตามมาให้ทันคุณถึงตรงตําแหน่งนี้ใะโดยเร็วบอกแล้วไนงะว่ามันคล้ายๆจะมีอะไรมากระซิบออกคําสั่งฉันให้มาถึงตัวคุณให้เร็วที่สุดเป็นอาการสังหรณ์บางอย่างแล้วก็จริงอย่างที่สังหรณ์เตือนอ่ะพอมาถึงก็เห็นคุณหล่นตุบแล้วมะเป็นก้อยหยุดลงเชิงเนินนี่พอดี ฉันเองก่อนจะฝ่าลมมาถึงขึ้นไปบนอากาศหยุดเรามารอหลายครั้งมันเป็นพายุประหลาดเหมือนทอร์นาโดคุณคริสรู้สึกว่าคุณจะเดินคู่มากับบุญคำไม่ใช่เลยเออแล้วตอนนี้บุญคำหายไปไหนฉันก็ไม่รู้อะแต่พรานเท่าของคุณพยายามจะวิ่งตามฉันมาขณะที่ฉันออกวิ่งอ่ะแล้วตอนนั้นมันก็เกิดพายุหมุนรุนแรงขึ้นพอดี ก็วิ่งตามฉันมาไม่ทันน่ะและฉันก็ไม่ได้เหลียวกลับไปดูด้วยเอา้าตายละถ้าบุญคำอยู่กลางทุ่งขณะที่เกิดพายุก็ยุ่งอะที่คุณเขาอุทานออกมาขมวดคิ้วนิดนึงแล้วต่อมาอีกว่าแล้วพวกนั้นทั้งหมดละ่ะคริสติน่าสันนะ่ะขณะนั้นเสียงพายุหมุนยังคำรนอยู่อย่างน่ากลัวเบื้องนอกมันดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้น เสียงไม้ไล่ในปา่าทึบที่ไม่ห่างออกไปนักหักยอดขอนโคลได้ยินแววเข้ามาได้ทั น, นฉันไม่รู้อะพินตอนฉันออกวิ่งบอกแล้วไงว่าไม่ได้เหลียวกลับไปดูข้างหลังฉันรู้แต่ว่าฉันพยายามที่จะมาถึงที่นี่ให้มันเร็วที่สุดแล้วก็ต้องพยายามหลีกกลบกลุ่มลมที่มันดูจะข้างบนลงมาหอบเอาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลอยขึ้นไปด้วยมันจับลงมาเป็นจุดๆแต่ตอนนั้นน่ะ ผมว่าผมวิทยุเตือนพวกเขาทั้งหมดให้หลบเข้าไปในดงทึบริมชายทุ่งโน่นดร์สแตนลีย์น่นะเป็นคนพูดกับผมแล้วก็ดูเหมือนเขาจะเข้าใจคําสั่งดีระหว่างที่พูดกันอยู่ผมก็ถูกพายุกระแทกไงายหลังหล่นลงมาตอนขึ้นไปอยู่บนไหล่เนินมองเห็นมันกําลังเป็นควันหมุนติ้วอยู่ข้างหน้าพุ่งผ่านมาทางด้านนี้เร็วเหลือเกินแล้วเขาก็ลูกคลาไปที่เองเหมือนจะหาอะไรสักอย่างแล้วก็ร้องมาว่า อ้าวแผนวิทยุของผมพลัดตกหายไปใชแล้วคงจะไอตอนที่กลิ้งหล่นลงมานั่นแหละไม่ต้องไปห่วงถึงวิทยุนหรอกคุณเมื่อพายุมันหมดสิ้นไปแล้วเราพอจะค้นหาได้จากตำแหน่งที่คุณกลิ้งตกลงมาเพราะตะโกดคี้เรียกเดี๋ยวมันก็ร้องตอบออกมาเรารู้ตำแหน่งเองแหละเดี๋ยวฉันจะลองติดต่อกับพวกนั้นดูเองกล่าบจบ คริสติน่าก็ดึงวิทยุประจำตัวที่เน็บเอวด้านหลังออกมากดคีย์กรอกคำพูดลงไปโดยเร็วคริสเรียกทุกคนคริสเรียกได้ยินตอบด้วยตอบด้วยทั้งระพินและคริสติน่ารอฟังพักพวกที่จะตอบมาแต่ก็เงียบกริบไปหมดจึงได้แต่มองหน้ากันเองหล่อนเรียกซ้ำซ้ำอีกสองสามครั้ง ก็ไม่มีคําตอบมาเช่นเดิมทุกสิ่งทุกอย่างของฝ่ายโ น, น้นดูราวก็จะถูกกลืนหายไปกับมหาวาตะหมดแล้วพระเจา้านี่พวกนั้นคงจะแยกกันหมดแล้วนี่ไม่มีใครได้ยินเสียงเรียกจากพวกเราเลยเหรือเนี่ยแม่ผมทองครางออกมารอสักเดี๋ยวพี่กุณบางทีอาจจะกําลังชุลมุนชุนเกหาที่หลบซ่อนกันอยู่ในดงทึบนก็ได้ ตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละคุณพร้อมกับพูดระพินพยายามที่จะเกาะแง่หินบริเวณใกล้เคียงขยับจะลุกขึ้นคริสติน่าเข้ามาประคองทันทีเตือนให้เขานั่งลงก่อนแต่ระพินไม่ฟังเสียงยันขาเกาะหินขึ้นมายืนตรงได้พอเริ่มออกขยเยกเดินก็เสียหลักหมุนคว้างไปทางหนึงอย่างเสียดุลเพราะขาข้างทิศบ้าเคยเคลื่อนอย่างคลกยอ่อ ไม่มีกำลังพอแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวประจำคณะอุทานออกมาคำหนึง่งโดดเข้ามาโอบคว้าตัวไว้ได้แต่หลักของหลอนก็ไม่ดีเช่นกันเพราะถลายลื่นทั้งสองจึงล้มกริ่งลงด้วยกันเอา้าหลอนร้องเพราะรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายไงยหลังฟาดลงไปโดยมีระพินทับอยู่ข้างบนแต่ก่อนที่ร่างทั้งสองจะทันกระทบพื้นนั่นเอง จอมพรานก็หมุนตัวโดยหลักการล้มของยูโดโพลิกตัวหล่อนขึ้นข้างบนซะก่อนป้องกันแม่หลังของหล่อนกระแทกหรือศีรษะไปฟาดนอกพื้นจึงกลายเป็นว่าส่วนหลังของเขาซึ่งมีเครื่องหลังแตจูกระแทกพื้นซะเองโดยเก็บส่วนคอและศีรษะไว้รอดจากการฟาดแง่หินไปได้อย่างบุดร่างของคริสตินานอนทับเต็มตัวอยู่บนร่างของรพิน ในลักษณะเหยียดยาวทาบกันหมดทุกส่วนแล้วนิ่งกันอยู่ในสภาพนั้นชั่วขนาดกิบแก้มตอบแก้มแนบชิดเจ็บอีกรหรือเปล่าหัวฟาถูกอะไรไหมหล่อนผงกสีสษะ ข, ขึ้นกระซิบถามไม่ถึงผมจะช่วยเหลือกระดูกสะบ้าเคลื่อนไม่เป็นแต่ผมก็ล้มเป็นมากกว่าคุณนะ ขอบใจนะราพินที่เสียสลกหมุนตัวเองลงล่างคุณน่าจะเอาเปรียบโดยพลิกชั้นลงล่างแทนอย่างน้อยก็แก้ลาตอนที่ฉันกระชากขาและถีบคุณตะกี้ผมไม่เคยเอาเปรียบใครอ่ะคริสและถ้ามีเหตุการณ์ที่จะต้องรับเคราะห์ผมเอาตัวเข้าแลกซะก่อนสำหรับเจ้านายทุกคนจำไว้คริสติน่ายิ้มด้วยสายตา ยังไม่ยอมขยับขยื่นกายผละลงจากร่างกายของเขากระพินตอนนี้จิตใจคุณเข้มแข็งตามเดิมแล้วนะแม้ว่าร่างกายยังไม่ค่อยจะแข็งแรงนะักครับใช่ครับผมคุมสติได้แล้วจะไม่ใจสาะแหกปากร้องโวยวายอะไรอย่างเมื่อกี้ละนี่คุณทำไมถึงได้ใจน้อย เเอาไปคิดในสิ่งที่ฉันพูดตะเกียมันไม่มีความหมายอะไรหรอกคุณคุณยังยันขาข้างนั้นไม่ได้่างไงมันก็ยังเสียวแผล บ, บ, บอยู่คุณแต่เชื่อว่าอีกไม่นานก็คงหายแล้วแั่ น, นี้ถ้าหากว่าหายคุณจะเดินทิ้งฉันลิ้วๆวไปเดินไม่หยุดรอคอยแบบที่เคยอะรู้ไหมฉันไม่อยากให้คุณหาย่ะ อยากจะให้คุณเดินขากระเยากอยู่อย่างนี้แหละเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเลยล่ะคุณถ้าผมมีการไร้สมรรถภาพสักคนเดียวพวกคุณจะแย่หนักลงไปกว่านี้นะคุณอีกตอนนี้มันก็แย่ขีดสุดแล้วละ่ะรพินในการเดินทางมาครั้งนี้มันไม่มีอะไรที่จะแย่ลงไปกว่านี้อีกแล้วน้ําเสียงของหล่อนเบาหวิงเลื่อนลอย อย่างคนสิ้นหวังเอาหน้าผากลงแนบกับปลายคางเขาเบื้องนอกพายุยังสะเทือนเลื่อนลั่นแต่พายุในใจของรพินไพรวันสงบราบคาด้วยพลังจิตที่เด็ดเดียวมั่นคงโดยไม่มีอะไรมาคลอนแคลนสะได้เขาไม่มีคาถาบทใดที่จะพร่ำภาวนาในขณะนี้นอกจาก ดารินดารินดารินและดารินพูดจะกสนิทแนบอยู่ในสมองและวิญญาณตลอดไปไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติไหนไหนพายุเบื้องนอกสะเทือนเลื่อนลันแต่พายุภายในของระพินไพรวัดสงบราบขาบ ด้วยพลังจิตที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงโดยไม่มีอะไรมาคลอนแคลนสะได้เขาไม่มีคาถาบทใดที่จะพรำภาวนาในขณะ น, นี้นอกจากดาริงดาริงดาริงและดาริงผู้จะสนิทแนบอยู่ในสมองและวิญญาณตลอดไปไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ยิ่ง อยากคาถาที่เอ่ยเรียกเป็นนามของแม่ดอกฟ้าดารินอยู่ในใจตลอดเวลาเช่นนั้นทั้งๆ ท, ที่นอนนิ่งปล่อยให้ร่างของหล่อนนาบทาบทับทุกส่วนอยู่เช่นนั้นเพราะไม่อยากจะผลักไสด้วยกิริยาหรือวาจาเพื่อเรือนร่างอันแสนจะยาวยวนนั้นผลักออกไปเชะประมาณแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นคริสตินาก็ขยับกายลุกขึ้นเองพร้อมทั้งประคองช้อนศีรษะเขาขึ้นมา แล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงปกติว่าฉันเป็นห่วงเบลที่ยังไม่แข็งแรงนักและบุญคำก็ก็เลยพยายามตามหลังฉันมาไม่รู้ว่าป่านนี้เป็นยังไงมั่งพร้อมพูดหล่อนควักบุหรี่ออกมาพร้อมกันสองตัวจุดขึ้นตัวหนึ่งคาบไว้ตัวหนึ่งยื่นส่งให้เขาแล้วพินรักมายัดใส่มุมปากบุญคำนะคงไม่ต้องห่วงแล้วคุณ นย่งไงแกก็เอาตัวรอดได้เสม อ, อ, อพวกที่หน้าห่วงนอกจากเบลแนละ้วก็ฝ่ายพวกคุณทุกคนนะ่ะรวมทั้งพวกลูกหาบด้วยพายุหมุนนี่มันจะเกิดขึ้นนานสักเท่าไหร่นี่คุณพอจะทราบไหมหล่อนเอียงหน้ามองฝากกลุ่มหมอกควันออกไปนอกปากโพรงที่เข้ามาอาศัยหลบอยู่ผมก็ไม่ทราบว่าคุณไอ้ตามปกติมันมาเร็วแล้วก็ผ่านไปเร็วแล้วมันก็ แต่มันก็ดูร้ายหน้ากลัวมากนะยิ่งกว่าน้ำป่าหรือไฟป่าซะอีกเพราะทั้งสองอย่างเรายังพอมีเวลาหลบได้ทันคุณนะโชคดีมากนะที่มาถึงตีนเนินนี่ได้ก่อนที่จะถูกมันพัดหอบหายขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็ปล่อยให้หล่นตุ๊บลงมาเหมือนคนโดดร่มจากเครื่องบินแล้วร่มไม่กลางยังไงอย่างงั้นระหว่างนี้ผมอยากให้คุณใช้วิทยุเรียกพวกเราเป็นระยะๆเพื่อจะติดต่อกันได้บ้ง คริสติน่าปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาแต่ยังไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นไม่มีเสียงใครตอบรับมาเลยนอกจากเสียงอึองอนราวเสียงร้องปีศาจจากขุมนรกของพายุหมุนด้านนอกเท่านั้นจึงบักนี้ภายในโพรงครูหาอันเป็นที่หลบกําบังลมได้เป็นอย่างดีทั้งสองได้แต่นั่งมองหน้ากันในระยะใกล้ๆ ก, กับริบตาอยุดปริก ระพินดีดปลายบุรีที่สูบเข้าไปได้สองสามครั้งโดยพยายามไม่ให้ส่วนที่เหลือชำรุดบุบสลายแล้วหย่อนลงใส่กระเป๋าเสื้อไว้ตามประษาคนประหยัดขาดแครนกลางป่าคริสติน่าเห็นแล้วแม้อารมณ์ของหล่อนยามนี้ยังคงกังวลอยู่กับพรรคพวกเบื้องนอกอันไม่ทราบอนาคตก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้กึ่งสงสารกึ่งทุเรศ จิงโยนของไมเอี่ยมที่ยังไม่ได้แกะแม้แต่ตัวเดียวมาให้เขาพรานใหญ่รับไปใส่กระเป๋าเสื้อไว้นี่ถ้าพายุไม่หยุดไปอีกนานถ้าเราไม่สามารถติดต่อกับพวกเราได้อีกเลยแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะคุณหลอนตั้งปุด่ดฉาขึ้นมาลอยๆอยก็รอให้พายุหยุดแล้วก็ออกตามหา อีกฝ่ายตอบมาง่ายๆจากข่าวหน้าเย็นกระด้างที่อ่านไม่ออกเหมือนเคยคุณพูดอะไรมันดูง่ายไปไม่ไปซะหมดนะระพินอ่ะก็เพราะผมเป็นคนง่ายๆไ ง, งคุณนี่ในเช้าวันนี้คุณบอกว่าอากาศมันจะปลอดโปร่งดีมากยังไงอะทำไมเราถึงเกิดเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นมาได้คุณเอา ก็เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนึกคาดฝันไปไม่ถึงนี่นไงมันถึงได้เกิดขึ้นเกินกว่าที่เราจะระวังตัวทันในนรกดำนี่มันเกิดอะไรที่เราคาดฝันไม่ถึงได้ทุกอย่างละคุณฉันอยากจะอ่านความในใจของคุณขนาดนี้ได้จริงๆว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่จอมักคุเทศเอาหลังเอง็นพิงผนังหินที่เรียบราบราวกระห้องคูหา ที่มีการแต่งสกัดไว้ผิดไปจากโพรงหินธรรมชาติคุณก็เป็นนักทุกอย่างไม่ใช่เหรอแม้แต่นักจิตศาสตร์ทำไมไม่ลองอ่านด้วยคริสติน่าเปาควันบุรี่เป็นทางยาวลงต่ำพูดมาว่านี่คุณนอกจากจะคิดถึงคู่รักกับภาพปั้นของเจ้าหญิงที่หน้าเหมือนคู่รักคุณนละฉันอ่านอะไรไม่ออกเลย จากหน้าที่เย็นแข็งตายด้านเหมือนกับหินที่เขาปักไว้บนหลุมฝังศพท่านั้นก็อย่าพยายามอ่านจีคุณคุณก็สวดมนต์ของคุณมาดีกว่าถ้าคุณเคยสวดอยู่บ้างขอให้พระเจ้าและสวรรค์เบื้องบนคุ้มครองพวกเราทั้งหมดที่พลัดพรากกระจัดกระจายกันออกไปโดยไม่รู้ว่าใครเป็นใครในตอนนี้กล่าวจบประโยคเขาก็นั่งหลับตาเหมือนจะพักไปง่าย คริสติน่าเอื้อมมือมาตบค่อนข้างแรงที่แผ่นอกของเขานี่คุณจะนั่งหลับทิ้งฉันไปซึ่งซึ่งหน้ายัางเงี้ย เ, เสียงหลอนดังขึ้นผมเพลียคุณพลียจริงๆขอพักสักนี่เพอไม่ได้คุณปกติเรียบร้อยดีอ่ะไอ้แค่สะบ้าเคลื่อนหน่อยเดียวอ่ะอเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยเข้าที่แล้ว ในที่นี้มีชั้นก็มาติดโพรงร่วมชะตากรรมอยู่กับคุณทั้งคนเหตุการณ์ของพรรคพวกก็อยู่ในภาวะรับขันคุณยังใจเย็นคิดจะนั่งหลับทำยังก็่าอยู่ตัวคนเดียวอย่างนั้นดูนี้ปล่อยนอนร้องโอยโอยไปคนเดียวไม่ช่วย ก, ก็ดีหรอกกระพินตอบมาทั้งยังไม่ลืมตาว่านี่คริสเรายังไม่มีโอกาสที่จะทาอะไรในตอนนี้ได้หรอกคุณ คุณเรียกวิทยุไปแล้วพวกนั้นก็ไม่แสดงท่ า, าทีว่าจะได้ยินหรือตอบเรามาเลยพายุข้างนอกมันก็ยังแรงจัดไอเราจะโลไปก็ไม่ได้แล้วคุณคิดว่าเราควรจะทำอะไรให้มันดีกว่ า, วานี้ถึงทำอะไรไม่ได้ก็ควรจะปรึกษาหารือให้แนวความคิดกันมั่งสิคุณไม่จะมานั่งหลับตาเข้าชานอยู่แบบเนี้ยเสียงของหล่อนเริ่มจะขุนเขียวอย่างหุดหงิดใจ ยอมพรานค่อยเปิดเปลือกตาขึ้นในลักษณะรีหลนมองดูที่ดวงตาคู่นั้นบอกในใจว่า <c oughs> เขาเป็นผู้ชายที่มีขนตาดกยาวและค่อนข้างงอนซึ่งมันค้านกับแววตาที่ลืมกว้างเต็มที่แล้วมันสาดประกายเฉียบกร้าวแข็งกระด้างยิ่งนักนี่คุณผมรู้นะว่าคุณกำลังกระวนกระวายใจ ห่วงทุกคนผมก็ห่วงห่วงไม่ได้น้อยไปกว่าคุณน่ะคุณแต่มันได้อะไรขึ้นมามั่งในการที่จะมานั่งรำพึงรำพันถึงเรื่องนี้อยู่ในขณะที่เรายังขยับตัวทําอะไรไม่ได้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้มันเป็นเรื่องอุปสรรควัยเหตุเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งถ้าเทียบกับไอ้ที่เราเคยเคยผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนนะคุณ ใช่ทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณยญ่อยู่เรื่องเดียวอะเรื่องที่คุณจากผู้หญิงคนนั้นมาเขาพยักหน้าลงนิดหนึ่งใช่คริสติน่าถอนใจเฮือเบือนหน้าชายตามองดูด้วยหางตาแล้วไม่กล่าวอะไรอีกเช่นกัน ขยับถอยไปยึดผนังหินฝั่งตรงข้ามกับเขาสภาพฉุกละหุกตื่นเต้นที่พลุบก็ามาอยู่ในซอกโพรงแห่งนี้ทำให้หลอนไม่มีเวลาพอที่จะหันไปสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานที่รอบตัวอันเข้ามาอาศัยหลบลมนี่อยู่ได้นอกจากนั่งสุบุรีเอามือยันเขา่าเท้าคางตาเมือกไปยังปากโพรง ซึ่งมัวคลุ้งไปด้วยผงคลีที่หมุนควงอยู่เติวเติวเวลาผ่านไปเงียบเงียบในระหว่างบุคคลทั้งสองอีกครู่อย่างแม่นักเคมีฟิสิกสาวประจําคณะชำเลืองมายังร่างของมักคุเทศอีกครั้งรราเห็นเขาถลายตัวลื่นจากผนังที่พิงลงไปนอนหงายราบอยู่กับพื้นเอาหมวกปิดหน้าไว้ มีอาการเหมือนจะนอนหลับพักไปจริงๆจิงยื่นปลายลํากล้องเอ็นสิบหกประจําตัวไปเขี่ยหมวกที่ปิดหน้านั้นออกบอกมาว่าฮจะสบายมากเป็นหน่อยแล้วมั้งทีแรกก็นั่งหลับคราวนี้ถึงกันนอนเลยทีเดียวเลยคุณรพินลุกขึ้นมานั่งช้าๆเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกแรงๆเฮ้ผู้หญิงเนี่ ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนนะต่อให้มีความเก่งกล้าสามารถสักแค่ไหนก็ตามก็หนีนิสัยของเพศเดิมตัวของเพศเดิมตัวเองไม่ได้จุกจิกต่อแย่สิจริงจริง่ปั๊บผ่าก็บนเงิมงำออกมาแล้วควักบุหรี่ที่ดับเอาไว้ขึ้นมาจุดสูบต่อยอครั้งนี่คุณผมก็อยากจะถามคุณมั่งว่ะ คุณน่นแหลนตามหลังผมมากับบุญคำและตอนที่เกิดพายุขึ้นทำไมคุณถึงได้ทิ้งแกไว้ข้างหลังพระเอาตัวรอดมาที่นี่คนเดียวทำไมคุณไม่ช่วยลากอเอาแกมาด้วยป่านี้ก็จะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้อตั้งคำถามแปลกดีนี่ในพรานคริสตินา่าร้องเสียงสูงและหัวรเราะแปลก พี่คุณฉันน่ะเป็นนายจ้างเป็นผู้หญิงส่วนคนของคุณน่ะเป็นพรานผู้ชำนาญกว่าฉันมากเป็นผู้ชายนะและมีหน้าที่จะต้องคอยคุ้มกันพิทักษ์ฉันโดยตรงเมื่อฉันเห็นหัวหน้าพรานคือคุณน่ะเสียท่าร่วงลงมาจากเนินไหลนะ่ะ ฉันก็พยายามที่จะเข้ามาดูคุณถ้ามันเร็วที่สุดจใจฉันคอยหิ้วบุญคาอยู่ได้ยังไงก็กค่อยากจะงุ่มงามวิ่งช้ากว่าฉันทาไมอ่ะทำไมล่ะคุณตอนที่ฉันวิ่งมาถึงตัวคุณน่ะแทนที่จะสะบ้าเคลื่อนอยากรู้จริงๆอ่ะทำไมถึงไม่ได้ขอหักตายไปซะลูแล้รู้รอดเดี๋ยวนี้ฉันไม่สนใจแล้วละ่ะ ว่าคุณจะเป็นตายร้ายดียังไงหรือตายซะได้เลยก็ดีฉันและพวกจะได้เดินทางกลับซิดิฉันน่ะมดความคิดที่จะเดินทางไปในเส้นทางที่บา้าอย่างมหาวายร้ายกับคุณอีกต่อไปแล้วไอ้ที่ทนเดินกันอยู่นี่ก็เพราะกลัวคุณจะแอบยินมเยาะเท่านั้นเรารู้กันหมดแล้วพวกเราถูกคุณแกล้งเอามาเดินทรมานเจ๊หายแค้น ที่ไปบังคับคุณให้นำทางมาธรรมชาติของเพศหญิงตลอดจนอารมณ์แก่นแท้จากจริงใจของแม่ภูเขาน้ำแข็งผู้เหี้ยมหานเพิ่งจะแสดงให้ปรากฏเห็นชัดออกมาเป็นครั้งแรกใบหน้ากระด้างปานหินเผยรอยยิ้มเห็นฟันขาวเป็นรอยยิ้มแห่งความพอใจประกายตาเริ่มอ่อนโยนลง นึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนผมน่าต้องการได้ยินคำพูดจัดใจจริงของคุณแบบนี้มานานนั้นลหละมิสกรูเบียร์เอาละเมื่อยอมสารภาพกันแล้วแบบนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยผมรู้รู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณและพวกคุณทุกคนกลัวกันตั้งนั้นแหละเว้นแต่จะปกปิดไว้เท่านั้น ชีวิตมีค่าของพวกคุณเอามาแลกกับผมหรือพวกของผมไม่ได้หรอกอ่ะแล้วคุณจะแกล้งทรมานพวกเราไปถึงไหนอ่ะใจพวกเราค่อยๆล้มหายตายจากไปทีละคนสองคนจนกระทั่งหมดทั้งคณะนี้เลยใช่ไหมเพื่อมันสาสมก็ที่บงังคับให้คุณนำทางมาล่นแผดเสียงก้องน้ำตาเริ่มคลอ <c oughs> กระพินหัวเราะเบาหมุนตัวเข้ามานั่งแนบชิดด้วยอาการอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วตามบุ ค, คลิกเดิมของเขาอกไหลไ่ไหวกระชับคริสติน่าหมดความอดทนซุกหน้าลงกับแผ่นอกของเขากอดไว้แน่นกายสั่นเทา น, น, น้ำตาเริ่มไหลพรากแต่ก้มหน้าซ่อนไว้อาการสะอื้น ทำให้ร่างกายสั่นไหวเป็นระยะระพินรวบหลอนเข้ามาในอ้อมแขนอันแข็งแรงของเขาร ะ, ระพินฉันกลัวฉันจะบ้าตายอยู่แล้วต่วสารพัดเหตุที่มันรุมเข้ามาเล่นงานจนตั้งตัวไม่ติดอ่ะฉันคิดไม่ถึงจริงๆนะว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะโหดเหี้ยมหินและแช่ที่สุด เท่าที่มนุษยชาติจะพึงพบคุณคงไม่รู้ตัวหรอกว่าฉันต้องกินยาละครับประสาทสักขนาดไหนก่อนจะนอนหลับลงไปแต่ละคืนเนี่ยแม้ในสถานที่ซึ่งคุณให้คำรับรองว่ามันจะปลอดภัยที่สุดก็ตามไม่ใช่เพียงแค่ฉันเท่านั้นหรอกนะระพินคนอื่นๆของพวกเราก็เหมือนกันเรามืดมิดไปหมด เรามองไม่เห็นที่พึ่งนอกจากคุณคนเดียวเท่านั้นอาจารย์นั้นเป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายฉันก็บอกกับคุณแล้วนี่ว่าเราพร้อมเราพร้อมแล้วที่จะแพ้เราพร้อมที่จะลาถอยเดินทางกลับแต่เราไม่กล้าจะเอ่ยออกมาตรงๆแต่คุณนี่กลับดื้อดันที่จะนำพวกเราทุกยากทรมานต่อไปอีก คุณเป็นคนใจร้ายโหดเที่ยมเดียาพบาทอาคฆ่าที่สุดหายใต้ผิวหน้าเบื้องนอกของความเป็นสุภาพบุรุษแล้วความเสียสละของคุณแต่จริงแท้แล้วคุณแก้แค้นเราคุณแก้แค้นเราทำไมจอมพรานลูบหลังแม่ผมทองเบาๆกระแสะสัมผัสของเขา บ่งชัดถึงความปราณีและปลอบโยนคุณทันใจดีๆไว้สิในผมต้องจะเห็นความอ่อนแอของคุณครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะทั้งๆ ท, ที่คุณเป็นคนมีฝีมือแล้วก็กล้าหาญที่สุดในคณะคุณฟังนะ ผมขอปฏิญาณต่อหน้าพายุมหาการที่คุกคามเราอยู่ในขณะ น, นี้ว่าผมไม่เคยมีเจตานาที่จะมุ่งร้ายหรืออาฆาตแค้นอะไรพวกคุณเลยเพียงแต่ต้องการให้คุณทราบเท่านั้นว่าเส้นทางเดินครั้งนี้เป็นเส้นทางที่จะเดินไปสู่มรณการเหมือนอย่างที่ผมได้เคยประกาศไว้แล้วครั้งแรกก่อนที่เราจะ เดินออกจากหนองน้ำแห้งมาพวกคุณคงไม่เชื่อในครั้งนั้นแต่คงได้ตรหนักดีแล้วในบัดนี้ผมไม่ได้ขอร้องให้พวกคุณมาแต่คุณก็ยอมรับแล้วว่าได้บังคับให้ผมพามาเองเพราะทุกคนฝ่ายคุณน่ะเชื่อในความสามารถของตนเองกันทั้งนั้นมันก็เป็นการดี ที่เดินทางมาด้วยกันในครั้งนี้ทำให้เราได้รู้จักกันรู้สึกแก่นแท้จริงใจของกันและกันจะหนักมิดเบาหน่อยไอ้ที่ระหองระแหงหรือเคยมีความหวัดระแวงอะไรซึ่งกันและกันมามันก็จะหมดสิ้นไปเองเมื่อการเวลาผ่านไปเอาละคริสคุณแน่ใจได้ว่าผมจะไม่พาพวกคุณไปตายหรอก คุณทุกคนจะต้องรอดแล้วกลับไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนของคุณได้ผมสัญญาแล้วแล้วตัวคุณเองอะระพินหลอนกระซิบทั้งร้องไห้อย่าสนใจอะไรกับชีวิตไร้ค่าของผมเลยคริสผมจะรอดหรือมันหรือจะดับมันก็เท่ากันนะคุณ สำหรับคนไร้อนาคตอย่างผมแต่พวกคุณทุกคนต้องรอดรับพินคนอื่นเนี่ยฉันไม่รู้แต่สำหรับฉันถ้าถ้าฉันรอดคุณต้องรอดด้วยและได้กลับไปมีชีวิตร่วมสุขกับค่รักของคุณ แต่ถ้าคุณถ้าคุณตายฉันคงต้องตายด้วย <innate> เพื่ออะไรอ่ะคริสลรปินฉันไม่รู้เหมือนกันนะคุณรู้ไหมเมื่อคุณพังพลาดอ่อนแอลง ฉันพยายามฝืนตัวเองให้เก่งกล้าสามารถและแข็งแรงที่สุดแต่เมื่อคุณแข็งแรงกลับ่าเป็นรพินไรวันคนเดิมฉันจะอ่อนแอที่สุดฉันหมดสิ้นเรี่ยวแรงมานานแล้วฉันสู่ฝืนกับฟันทนทำเป็นเก่งอย่างนั้นฉัน ความจริงฉ ch ันไม่ได้ต่อรหดอดทนหรือแข็งแกร่งเด็ดเดียวเท่ากับหมมราชเชาวงหญิงดารินบราริปคนนั้นนะคุณเธอผู้นั้นเธอสามารถบุกบันวันฝาติดตามคุณไปได้ทุกฝีก้าวแต่ฉันไม่ฉันกำลังจะไปไม่ไหวแล้วพินคริสติน่าสะอึกสะอื้น ไหวสิคริสคุณต้องไหวตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่และจะต้องยิ่งไหวมากขึ้นไปอีกสิบเท่าหากบังเอิญว่าผมสิ้นไปซะก่อนในเส้นทางนี้ทุกสิ่งทุกอ ย, ย่างอยู่ที่กำลังใจคุณอยู่ที่กำลังใจ คริสติน่าสั่นสีสักกอดรัดเขาแน่นแทบจะสอดแทรกกายให้กลืนสนิทเข้าไปในร่างกายของเขาไม่ไม่ไม่ฉันไม่มีกำลังใจอะไรเหลืออยู่อีกแล้วระพินคุณเคยอยู่ในซารัฐใช่ไหมอย่างน้อยก็ในการครัําหนึ่งใช่ครับที่ฟอร์ดเนาะ ผมไปฝึกหลักสูตรโง่ๆของกรอริล่าวอ์แฟ์อยู่ที่นั่งหลังจากกลับจากเยอรม น, นีปีต่อมาตอนนั้นฉันคงอายุ 13-14 ปีวะอยู่ในไฮสคูลทำไมอะทำไมเราไม่พบกันซะก่อนที่นั่นตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กสาวที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่สุด คริสพบกันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรครับคุณคุณก็คงมองเห็นผมเป็นไอทหารของประเทศได้พัฒนาระดับก ร, รียนที่ไปขอฝึกอยู่ในประเทศของคุณเท่านั้นแหละแต่ผมก็คงจะไม่กล้ามองเด็กอายุ 13-14 ปีที่เรียนอยู่แค่ไฮสคูลคริสเขารูปเส้นผมสีทองอ่อนนุ่มราวกับเส้นไหมของหลอน ผมรู้รู้ว่าคุณนนิยมชมชื่อในตัวผมแต่ขอให้คุณจงเข้าใจด้นะครับว่าความรู้สึกอันนี้มันจะมีขึ้นเฉพาะที่คุณอยู่ในป่ากับผมเท่านั้นถ้าออกจากป่าไปแล้วผมมันก็แค่ไอช้ชาวดงชาวดดนธรรมดาแม้จะเคยผ่านการศึกษาผ่านสังคมอย่างพวกคุณมาแล้วก็ตามเราอย่าคิดอะไรมาก ขอคิดว่าเราเป็นพี่ชายและน้องสาวหรือมิตรสนิทที่ดีที่สุดของกันและกันดีกว่าหล่อนหลับตาพยักหน้าโอเคแต่แต่พี่ชายจะกอดน้องสาวให้นั่นกว่านี้ได้ไหมมันหนาวหนาวจับใจจริงๆเารัก อ้อมกอดเข้ามาคริสตัวคุณร้อนผิดปกตินะคุณกำลังจับไข้นะเนี่ยแต่แต่ฉันฉันไม่ต้องการยาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอาการของฉันจะดีขึ้นถ้าฉันได้หลับอยู่ในอ้อมกอดของพี่ชายพี่ฉันชื่นชม นั้นหลับจะ้ะหลับในอ้อมแขนของพี่ชายนี่แหละนะหลับจนกว่าพายุร้ายจะผ่านไปใช่เซฟอินยูอาร์ฟาร์มร้อมอลารริมฝีปากของหล่อนขยับ เสียงแผ่วผ่านออกมา The light shall come กระพินก้มลงไปกระซิบข้างหูของหลอนอย่างปลุกเป่าคริสติน่าสันส่นศีรษะน้อยๆอีกครั้งกระซิบว่า But in fact ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกแสงสว่างแห่งทิวาการ แสงแห่งความหวังจะต้องทานเข้ามาในชีวิตของคุณอีกในอนาคตข้างหน้าคริสระพินคู่รักของคุณอายุเท่าไหร่ก็คงจะไล่เลี่ย ก, กับคุณแหละคริสหรืออาจจะแก่กว่าคุณนิดหน่อยแล้วมั้งเธอเธอเป็นพี่สาวฉันได้ไหมก็ ค, คงได้อ่ะ แล้วแล้วคุณรักเธอมากแค่ไหนล่ะระพินสุดชีวิตครับแล้วเธอล่ะข้อนั้นผมไม่ทราบครับฉันฉันขอภาวนาให้พี่สาวคนนั้นจงรับพี่ชายของฉันคนนี้เหมือนเช่นที่พี่ชายรักเธอนะแล้วฉันก็เชื่อเช่นนั้นด้วยขอบคุณครับคริส หลับพักสักก่อนเถอะคุณสักสิบหรือ20สิบนาทีก็ยังดีจนกว่าพายุมันจะผ่านหรือจนกว่าเราจะได้รับการติดต่อจากพวกเรารัพินฉันฉันอยากจะหลับในสภาพนี้ไปชั่วนิรันดร์การรลอนแผ่วเสียงดุดละเมอมาเป็นประโยคสุดท้ายถอนใจลึก แล้วสงบนิ่งไปด้วยความอ่อนระหยโรยแรงณบัดนี้ระพินเพิ่งจะมีโอกาสได้สังเกตเห็นเสื้อผ้าของคริสติน่าขาดวิ่นกระรุ่งกระริ่งไปหมดเป็นริ้วๆราวกับมีคมมีดมากรีดตามแขนขาและลำตัวของหล่อนเลือดซึมออกมาทั่วไปหมดแล้บัดนี้จับแห้งแล้ว คงเนื่องมาจากลมลุกคุกคลานมาในหมู่หินอันเต็มบปด้วยขอบแง่แหลมคมในระหว่างพายุร้ายรุนแรงเพื่อมุ่งตรงมาที่เขาอย่างไม่คิดชีวิตนั่นเองเขาโม่แต่เจ็บปวดทุกพลภาพไปชั่วขณะเมื่อครู่ใหญ่ๆนี่จนไม่มีเวลาที่จะสำรวจดูสภาพของหล่อนได้เต็มตาถึงแม้จะไม่มีบาดแผลใดชะกันสาหัสแต่สภาพของหลอนก็สบักสบอมอาการทีเดียว มีริ้วรอยทลอกปอกเปิกไปหมดแม้บนใบหน้ารงปลายคานก็มีรอยแตกเล็กน้อยเลือดออกซึมซึมช้ำเขียวทลอนมาถึงเขาไม่ทันการระหว่างที่นอนหนิ่งงอสะบ้าเคลื่อนอยู่ท่ามกลางมหาวาตะอันดุร้ายทารุนและจัดการลากเขาเข้ามาหลบอยู่ในคูหายแห่งนี้ได้ทันอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ผู้หญิงผิวขาวผมทองคนนี้มานิยมชมชื่นพรานนำทางต่างผิวพธุ์เช่นเขาได้อย่างไรหนอและดูท่าจะจริงจังลึกซึ้งเอาการจนก่อให้เกิดปัญหาศึกในอกเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันสุภาพบุรุษไทยรำพึงอย่าง ง, งุนงงยุ่งยากใจครั้งแรกแรกมันก็ดูจะเป็นไปในลักษณะท้าทายลองดีหรือปรารถนาที่จะเอาชนะ ต่ออะไรสักอย่างหนึง่งแต่นับการเวลาที่ผ่านไปหลนเปลี่ยนท่าทีไปอีกอย่างใช่ละจริงใจมากขึ้นตามลำดับและพิสูจน์ออกมาได้ว่าไม่ได้มีเจตนาจะเอาเรื่องของเพศหรือกามมนเข้ามาเป็นเครื่องดึงดูดยั่วยวนเขาเลยครั้นแล้วในโสดปราสาส่วนลึกของเขาก็แววสำเนียงเสียงเพียกออกมาจากโครงหินส่วนลึก สะท้อนกล้องอยู่ในสมองจิตรางคณางจิตจิตราคณางจิตจิตราคณางสิ่งที่กำลังเริ่มจะอลมานอยู่ในหัวใจของอดีตอคคณิรุษก็พลันสงบแน่วแน่ลงนักบัดนั้นถูกแล้ว กิจรางขนางรืดารินวราริสเท่านั้นจะไม่มีสตรีใดในโลกนี้เข้ามาแทนที่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนไหน173การเวลาได้ผ่านไปตามลำดับพายุเบื้องนอกยังเกลี้ยกราดรุนแรงอยู่เช่นนั้น ในอ้อมแขนอกประคองและใบหน้าที่ซบหน้าอยู่กับอกของระพิมพคริสติน่าอยู่ในสภาพที่ซบหาไออุ่นและแหล่งปลอดภัยเผลอหลับไปชั่วขณะเขารู้ว่าหลอนได้งีบลงไปจริงๆด้วยความอิดโรยอ่อนเปรีย้ยหาได้เกิดจากจริตมารยาเสียแซงด้วยเล่ใดๆทั้งสิ้นและเขาก็ปล่อยให้หลอนหลับพักไปสะก่อน โดยไม่พยายามทำอะไรให้เขาต้องตื่นขึ้นมาก่อนเวลาอันควรขณะจิตหนึ่งแห่งความเงียบภายในซอกคูหาหินที่เข้ามาลบอยู่นั่นเองมีเสียงแผดระเบิดเปรี้ยงสนันวันไหวกึกก้องกังวานก็หึ่มไปถุกแทกเสียงกบอื้ออึงของพายุหมุนอยู่ในขณะนี้ มันเป็นเสียงของไรเฟิลขนาดหนักแน่นอนแต่แยกไม่ถูกว่าเป็นเสียงของจุด3 7หหรือจุดหกันแน่รู้แต่เพียงว่ามันดังอยู่กลางที่โลง่งไม่น่าจะห่างจากปากโครงที่เขาและคริสติน่าอาศัยหลบอยู่ในขณะนี้มากนะแม่ผมทองสะดุ้งพร่วตื่นจากผวางหลับพระจากอกเขาทันทีเอ๊ะเสียงปืนนี่ฉันฝันหรือหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ย หล่อนร้องระล่ำระลักระพินเม้มปากนิดนึงกม้มศีรษะลงรับว่าใช่คุณเสียงปืนคุณไม่ได้ฝันด้วยหูฝาดไปหรอกมันหยุดดังอยู่กลางทุ่งใกล้ๆเรานี่แหละมัห ม, ม, ม, ม, มายความว่างไงอ่ะนี่พวกเรายิงอะไรเข้านี่คริสติน่าระล่ำระลักอย่างตกใจระคุณประหลาดใจอาการอีกดยของหล่อนหายไปในฉับพลันประสาททุกส่วนพร้อมขึ้นมาอีกครั้ง ระพินยังไม่ตอบพยายามเงี่ยหูสดับฟังต่อไปอึดใจใหญ่ก็ไม่ปรากฏว่ามีเสียงดังซ้ำขึ้นอีกมันแยดสนั่นกระหึมขึ้นเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเขาก็หยักตัวลุกขึ้นหลอนทันหลันยืนขึ้นตามอย่างทันกันก็เห็นจอมพรานเกาะผนังหินค่อยๆเดินพยุงกายออกไปยังปากโพรงเบื้องนอกห่างออกไปราวเจ็ดปดเมตร รู้สึวาพายุมันเริ่มจะซาแล้วล่ะคุณเสียงเขาพึมพำขึ้นเบาๆเหมือนกล่าวกับตนเองแง น, นมองข้ามโขดหินใหญ่ที่บังหน้าอยู่ปากโพรงออกไปยังอากาศเบื้องนอกคริสติน่าจ้องมองตามแล้วมันก็จริงดังว่าหมอกควันอันเกิดจากฝุ่นที่หมุนควงอยู่เป็นเกลียวด้วยอำนาจของพายุงวงช้างบัดนี้ดูจะลดความเกลียวกราหลงแนละ้วไม่รุนแรงเหมือนอย่างที่เผชิญในครั้งแรก เสียงคำรนคำรามของมันก็พรอนปน ล, ลงไม้ไล่ในโดงที่ห่างออกไปอันเคยได้ยินหักย่อถอนโคนอยู่คลืนครันก็พลอยส่างซาลงด้วยจะมีก็แต่กระแสลมที่ยังคงเหลือในสภาพพัดผ่านซึ่งลดอัตราความเร็วลงแล้วก่อนที่คนทั้งสองซึ่งออกมายืนหลบอยู่ปากทางจะกล่าวเช่นไรกันต่อไปวิทยุของคริสติน่าที่เปิดสแตนบายไว้ตลอดเวลา ก็ปรากฏเสียงเรียกออกมาทีทีทั้งสองจำได้ว่านั่นเป็นเสียงของเชิญวุฒแน่นอนระพินคริสบุญคาใครได้ยินตอบด้วยได้ยินตอบด้วยตอบด้วยคริสตินาอุทานออกมาคำานึงเขย่าแขนเขาอย่างดีใจระพินพยักหน้าให้หลอนเป็นฝ่ายพูดวิทยุติดต่อกับเสียงที่เรียกมา คริสจึงยกวิทยุประจำตัวมือถือขึ้นอดขีพูดเร็วปริดฉันฉันได้ยินคุณวุดนี่ขนาดนี้คุณอยู่ที่ไหนล่ะและพวกเราทั้งหมดล่ะคราวนี้มีเสียงของฝ่ายตรงข้ามทิ้งกันพูดแซ่ออกมาหมดจนจับกระแสะความแน่นอนไม่ได้นอกจากจะรู้ได้ว่าล้วนเป็นการไต่าถามทั้งสิน้นและต่อมาก็เป็นเสียงชัดเจนของดรสแตนลีย์ที่ดังออกมาจากลาโพงจิ๋วของเครื่องมือถือว่า คริสแล้วเธออยู่ที่ไหนล่ะเป็นไงมัง่งแล้วรพินล่ะรพินอยู่กับฉันในซอกขินลักษณะเป็นโพรงของเนินลูกที่เราบ่ายหน้ามาปลอดภัยเรียบร้อยดีรพินได้รับอุปติวายเหตุบ้างเล็กน้อยแต่ก็ปลอดภยัยแล้วเรากําลังรอรับการติดต่อจากพวกเราส่วนใหญ่อันเรียกไปหลายครั้งแล้วละ่ะแต่เงียบหายกันไปหมดขอบคุณพระเจ้า เสียงสวนมาคราวนี้เป็นเสียงกระหืดกระหอบของอิสเบลนี่พวกเราทั้งด้านนี้นะเข้ามาหลบอยู่ในโดงไม้ถือตามคำสั่งของรพินนั่นแหละแล้วก็กำลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่เพราะคอยหลีกหลบต้นไม้ที่จะล้มทับตอนนี้พายุมันก็ซาลงมั่งแล้วล่ะและพวกเราทั้งหมดก็เพิ่งจะมารวมตัวกันได้ไม่มีใครได้รับอันตรายมากเช่นกันนอกจากถลอกปอกเปิกมีแผลกันมั่งคนละนิดคนละหน่อยพระโตนาะหัวแตกแต่ไม่ถึงกรสาหัส คริสเธอแน่ใจนะว่าเธออยู่กระพินตอนนี้ประโยคหลังเบนถามกล้องมาในวิทยุเมื่อ น, นั้นคริสติน่าจึงส่งวิทยุของหล่อนไปเขาจอมพรานรับมาทุกคนโปรดทราบโปรดทราบครับเขาพูดชา้าช้าชัดเจนอย่าห่วงทางด้านนี้นะครับเราสองคนมีที่หลบกำบังอย่างดีที่สุด และกำลังรอรับฟังข่าวจากพวกคุณซึ่งเพื่อจะได้ยินเดี๋ยวนี้เองแล่ละเบ้าวโว่ท่านนายยังไม่ตายหาสักคนเดียวพวกเราก็ดีใจที่สุดแล้วละราพินคราวนี้เป็นเสียงของนายคีตตะโกนมาอ๋อและถ้าคนอื่นตายหาช่างหัวมันยังไงนี่ฉันผิดหวังมากนะที่ลมน่ะไม่หอบนายลอยหายขึ้นอวกาศหรือมิฉะนั้นต้นไม้มันโค่นมาทับแบรนต์แต่ ก็ตอบออกไปเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเสียงขีดหัวเราะลั่นคนอย่างฉันตายยากว่ะเจ้า ว, วุซี่เกือบเละไปแล้วโชคดีที่กลิ้งลนลงไปในลำห้วยแห้งเล็กๆได้ทันก่อนที่ต้นไม้ใหญ่ที่เรามาอาศัยยึดหลบอยู่จะงัดรากถอนโคนขึ้นอ่ะเมื่อกี้น่นายหรือคริสยิงปืนหรือ่ะคิดถามมาในท้ายประโยคระพินมองตาแม่นักเคมีฟิสิกส์สาว ผู้ทำหน้าตื่นประหลาดใจอยู่เปล่าฉันรือคริสไม่ได้ยิงนะยังคิดว่าพวกนายยิงอะไรเลยอ้าวเฮย้ยแล้วใครยิงยิงอะไรวะพันเอกแห่ง US Army โวยมาจอมพลอึ้งไปอึดใจเสียงสแตลลีถามซ้ำใหม่เสียงปืนดังขึ้นจากพวกเราคนใดคนหนึ่งถ้าทางด้านคุณไม่ได้ยิงและทางผมก็ไม่มีใครยิง ไหนอ่ะเอะแล้วตอนนี้บุญคําอยู่กับคุณและคริสด้วยหรือเปล่าครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเราจะแยกเข้ามาหลบอยู่ในดงเนี่ยเราเห็นบุญคํำเล่นตามหลังคริสไปนะเบียนถามแทรกมาโดยเร็วก่อนที่รัพินจะตอบหัวหน้าคณะบุญคําก็ตามหลังคริสเข้ามาไม่ทันถ้าเดี๋ยวนี้แกไม่ได้ไปรวมกลุ่มอยู่กับพวกคุณก็แปลว่าตอนนี้แกคงอยู่ที่ใดที่หนึง่งกลางทุ่งนั่นแหละและเสียงปืนที่ได้ยิน ทางผมก็ไม่ได้ยินทางผมก็ได้ยินมันใกล้ๆยอยู่กลางทุ่งก็เข้าใจว่าเป็นเสียงปืนจากบุญคำนะมะั้งเอแล้วบุญคำยิงอะไรถ้าเป็นเสียงปืนจากบุญคำอะฝ่ายโน้นถามมาเกือบจะพร้อมกันหมดระพินเอาหลังของนิ้วมือลูบริมฝีปากเขาไม่ได้ตอบฝ่ายโน้นในขณนะนั้นแต่บอกเบาๆกับคริสติน่าว่าบุญคาก็ปลอดภัยแล้วละ่ะ แกเป็นคนเดียวที่แตกหมูจากพวกเราแล้วก็อยู่โดดเดี่ยวตามลาพังในขณะนี้แต่ก็อยู่ใกล้ๆนี้เองเสียงปืนที่ยิงเป็นปืนจากแกนั่นแหละลูกก็ยิงอะไรล่ะระพินคริสติน่ายังคงอยู่ในอาการตโหนกประคนประหลาดใจกีดสุดแทนการตอบเป็นส่วนตัวเฉพาะกับคริสซึ่งซักถามอยู่ในขณะนี้ระพินกดคีย์วิทยุบอกไปให้พวกได้ยินว่า ผมเข้าใจว่าบุญคำอาจจะยิงขอความช่วยเหลือหรือยิงเพื่อแจ้งข่าวให้พวกเราทุกฝ่ายรู้ว่าแกยังมีชีวิตอยู่แต่ที่เราควรจะโล่งใจได้ในขณะนี้ก็คือตอนนี้นะพายุหมุนกำลังอ่อนแรงลงเต็มทีแล้วขอให้พวกคุณทุกคนรอดูเหตุการณ์อีกสัก4ีห้านาทีเอาเป็นว่าถ้าพายุมันหยุดแน่ก็ขอให้ออกจากดงบ่ายหน้ามาที่เนินลูกอนันเป็นเป้าหมายนี่แล้วกัน แล้วเขาก็ขอสอบถามติดต่อไปยังจัน์เกิดและสื่อซึ่งก็ได้รับการตอบจากเจ้าพรานหัวเห็ดทั้งสามคนของเขามาครบถ้วนแสดงว่าล้วนปลอดภัยกันดีทุกคนและคนของเขาพวกนี้แหละที่ช่วยนำคณะนายจ้างกับลูกหาบทั้งหมดเข้าไปหลบอยู่ในโดงทึบริมทุ่งอันนับว่าโชคดีที่สามารถค้นหาแหล่งห้วยแห้งเล็กๆแต่มีความลึกได้สายหนึ่งทั้งหมดรอดพ้นอันตรายจากต้นไม้ที่ล้มฟา ้วยการหลบกันลงไปมุดซ่อนอยู่ในลำห้วยนะ่ะปัญหามันจึงเหลืออยู่เฉพาะบุญคําคนเดียวตอนนี้แกเป็นอะไรอยู่ที่ไหนกันแน่เป็นฝ่ายที่ยิงไรเฟิลขึ้นเพียงหนึ่งนัดจากนั้นก็เหยียบหายไปมันจะเป็นเหตุการณ์ประจวบเหมาะหรืออะไรก็ไม่มีใครรู้ได้ที่พอเสียงปืนระบดตู้มออกไปพายุหมุนอันร้ายที่โหมกระหน่าอยู่ในละแวกนี้ ก็ค่อยๆสลายตัวส่างซาลงไปอย่างน่าแปลกใจยิ่งโดยการตอบโต้กันทางวิทยุของทั้งสองฝ่ายเพื่อสอบสถานภาพของตาพรานเท่าในขณะนี้เป็นที่รู้แน่ว่าบุญคำได้รับแจ ก, กวิทยุไว้ประจำตัวหนึ่งเครื่องและติดต่อแกอยู่เป็นเวลานานแล้วแต่ทางฝ่ายนายจ้างที่พยายามเรียกออกไปอยู่หลายครั้งก็ไม่ปรากฏว่าจะมีเสียงของแกตอบออกมาให้ได้ยินเลย เลิกเรียกได้แล้วล่ะครับรพินพูดแทรกออกไปทางวิทยุของคริสตินา่าบุญคำอาจจะทําวิทยุตกระหว่างที่วิ่งตามหลังคริสติน่ามาก็ได้ของผมเองยังตกหายเลยตอนที่ลมพัดหล่นลงมาจากไหล่เนินะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนพักหลบกันอยู่ที่นั่นก่อนประเดี๋ยวทางด้านผมจะออกตามหาบุญคำเองเพราะเสียงปืนที่แก ย, ยิงมันดังอยู่ใกล้ๆนี่เองตอนนี้เลิอกติดต่อก่อนนะครับ ผมจะหาวิทยุของผมเองก่อนกล่าวจบเขาก็ส่งวิทยุคืนให้คริสติน่าแล้วพยักหน้าชวนไปคริสเราออกไปตรงบริเวณที่ผมกลิ้งหล่นมานั่นเถอะสภาพของพายุหมุนมันหมดไปแล้วตอนนี้มีแต่กระแสที่พัดอยู่เบาๆเท่านั้นแล้วขาคุณอะหอ่อนมุ้ยปากไปที่ขาข้างที่เคยพิการชั่วขณะของเขาพรานใหญ่สะบัดออกไปแรงๆให้ดู นะไม่ไปได้หรอกถึงจะยังไม่ปกติเหมือนเดิมก็ยังพอจะเดินไหวแล้แล้วก็คิดว่าคุณคงจะเดินตามได้ทันละคราวนี้คริสติน่ายิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกอย่างขันขันในคำพูดของเขาแล้วเกาะไหลสุภาพบุรุษไพราพากันเดินออกจากบริเวณปากโพรงที่เข้าไปหลบซ่อนกันอยู่เป็นเวลาเกือบชั่วโมงเต็มเต็มนั้นเมื่อนอก สัมผัสได้ชัดว่ากระแสะลมอ่อนลงไปทุกขณะแล้วไม่มีอาการที่จะดูดหมุนเป็นงวงช้างเพื่อกระชากทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางฉกของมันให้ลอยขึ้นไปเบื้องบนได้อีกเหลือก็แต่อาการที่พัดผ่านอันอยู่ในเกณฑ์แรงกว่าลมธรรมดาตามปกตินิดหน่อยเท่านั้นแระพินก้าวเดินไปตามซอกขีนย้อนแนวเดิมกลับที่คริสตินาครึ่งพยุงครึ่งลากเขาไปหลบอยู่ในครั้งแรก หล่นเคียงคู่มาติดๆคอยสังเกตอาการอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีอาการกระเพิกอยู่บ้างแต่รพินก็ยังเดินได้มั่นคงดีคริสติน่าใช้วิธีตรวจสอบค้นหาวิทยุที่หลนหายของเขาโดยการกดคีย์เป็นระยะๆะะซึ่งกระแสคลื่นจะไปบังคับให้วิทยุในระบบเดียวกันเครื่องใดก็ตามจะต้องส่งเสียงร้องตอบออกมาทันทีหากมันยังไม่ถึงกระชรัรุดแตกหักป่นปี้ไป ดังนั้นชั่วแค่ไม่นานเมื่อทั้งสองเดินลีบมูหินริมเนินมาถึงตำแหน่งที่จอมพรานกลิ้งลงมางอกก่ อ, อกหงิงอยู่เมื่อตอนที่คริสติน่ามาพบก็ปรากฏเสียงลั่นออด อ, อตอบมาในทันทีทุกครั้งที่คริสติน่ากดคีนนนนมันร้องออกมาแล้วมันตกบนยอดหินที่คุณร่วงมานั่นแหละคริสติน่าชี้มือร้องออกมาอย่างดีใจแล้วกดคีเอาเขาดู พร้อมทั้งให้ฟังเสียงตอบรับสัญญาณของมันพระพินตบไหล่แม่ผมทองเบาๆเครื่องมือเครื่องใช้ของพวกคุณนี่มันวิเศษไปหมดทุกอย่างเชียวก่อนนี้ผมก็เคยทำตกหายไปทีหนึ่งละตอนที่ตามให้มันไรในดงทึกแล้วก็หาพบได้เพราะทางฝ่ายคุณกดคีย์เรียกมาอย่างนี้แหละพร้อมกลาเขาวางไรฝุ้นลงขยับจะปีนไตขึ้นไปแต่คริสตินาเนียวไหลบังคับไว้ เดี๋ยวคุณให้ฉันปีนขึ้นไปเองดีกว่าถึงยังไงตอนนี้กำลังขาของฉันก็ยังดีกว่าคุณน่ะฉันยังไม่อยากจะเห็นคุณร่วงมาอีกอภาพที่เห็นตอนนั้นมันหวาดเสียวเหลือเกินระหว่างที่ฉันวิ่งตามคุณมากลางทุ่งแล้วอเมริกันสาวเลือดผสมตุรกีผู้งามผุดผาดยิ่งกว่าลูกอเมริกันแท้ๆก็ไต่ตามแง่หินขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วตำแหน่งนั้นมันไม่ได้สูงอะไรมากนะัก แค่ประมาณสามวาเหนือบริเวณที่ยืนกันอยู่เท่านั้นหล่อนใช้วิธีกดคีเรียกเพื่อสอบทิศทางให้แน่นอนไปตามลำดับระพิงยืนพิงหินแงนมมองอยู่ข้างลา่าง